พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพราะทุกคนที่มาชุมนุมกันอยู่นี้กระรวนแต่ปราถนาดีเหมือนกันหมดเมื่อปราถนาดีมันก็ต้องมาฝึกใจอันนี้ให้มันดีถ้าป่าถนาดี ไม่ฝึกใจให้ดีมันก็ผิดความประสงค์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจมันน้อมไปทางไหนมันก็ใช้กายทาใช่วาจาพูดไปตามที่จิตมันน้อมไปนั่นเอง จิตที่มันยึดถือเอากิเลสไว้อย่างใดมันก็แสดงออกทางกายวาจาอย่างนั้นถ้ามันยึดเอาราคะตัณหาไว้มันก็แสดงออกซึ่งความรักความใคร่ถ้ามันไม่รุนแรงเท่าไหร่ มันก็พออดทนได้ถ้ามันรุนแรงมากระ ง, งับไม่ได้มันก็แสดงมายาสาธัายอะไรออกมาภายนอกนั่นแหลนอกกับในยังมั น, มนเนื่องกันถ้าผู้ใดยึดเอาความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะเผลอๆมันก็แสดงความโกรธออกมา กระทบกระทั่งกับคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไป <c oughs> แล้วก็เห็นกันอยู่ดาดึืนั่นแหละไม่ใช่ว่ากายมันทำเองวาจามันพูดเองได้โดยไม่มีจิตเป็นผู้บงการไม่ใช่อย่างนั้นนีกายอันนี้มัน ไม่มีความหมายอะไรถ้าจิตไม่เคลื่อนไหวแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคิจารณาดูให้ดีเมื่อใจนี้หลงเมาแล้วก็แสดงความหลงความเมาออกไปทางกายวาจาทำอะไรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยคนหลง ผิดผิดพลาดพลาดไปพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลพูดประรำประราไปอย่างนั้นแหละคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้กลั่นกรองในเรื่องราวที่ตนจะพูดนั้นว่ามันเป็นอย่างไรผิดหรือถูกไม่ได้กลั่นกรองเลย จิตใจที่มันปล่อยให้ความหลงเข้าครอบงำมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางทีก็เห็นผิดไปอย่างมากเห็นผิดอย่างหนึ่งก็เห็นว่าการบริโภคกรรมคุณแหละมีความสุขอย่างนี้นะ เด้วก็ จ, จิงได้ปิดสวยหากามคุณให้สงให้ได้มาตามความต้องการอันนี้มันก็เป็นความเห็นผิดอันนึงืงเพราะว่าความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่กามคุณทั้งหลายล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ล้วนแต่เป็นเหตุให้จิตใจวันไวเดือดร้อน ถ, ถ้าไปยึดเอากรรมคุณอันนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วนะความหลงอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่ความสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจลงให้เป็นหนึ่งได้ว่า นี่แหละคือบุญอย่างนี้นะนี่แหละคือบาปอานีมีแต่กระถังกระถีอยู่งั้นแหละว่าอะไรหนออะไรหนออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลงนี่ก็จึงชื่อว่าเป็นอุปสรรคต่อชีวิตไม่ใช่น้อยมันทำให้ ดวงกิดดวงนี้นะหลุดพ้นจากโลกอันนี้ไปไม่ได้พอมันหลงแล้วมันก็เข้าใจผิดคิดว่าโลกนี้มันน่าอยู่น่าน่าสนุกสนานยิ่งสมัยปัจจุบันการพัฒนาถนนหนทางสถานที่ต่างๆการก่อสร้างอาคารสถานที่ ต่างๆก็รู้สึกว่ามีมากทีเดียวเจริญรุ่งเรืองขึ้นบุคคลไปเห็นฉช่ั้นเข้าไปแล้วก็ดิ้นลนอยากจะมีเหมือนเขาก็ดิ้นกันไปหากันไปนี่แหละมันจึงได้ประสบกับความทุกข์ละแบบนี้นะ เมื่อผูดด้ใดมีบุญน้อยหาอย่างไงมันก็ไม่ได้ได้กั่นี้นิดหน่อยๆน่อยไม่พอแก่ตันหาความอยากก็เป็นทุกข์นี่แหละมันเข้าใจผิดไปมันก็ได้พบเจอความทุกข์อย่างนี้ความเห็นอีกอย่างหนึง่งเห็นอย่างดิงืงเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาป เห็นว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีอนิพานไม่มีปฏิเสธหมดเลยความเห็นอย่างนี้ท่านเียว่ามันมันหลงอย่างดิ่งเลยทีเดียวไม่มีถอนกลับมาได้อมันดิ่งลงไปอย่างนั้นนะเอาคนปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ว่าบุญบาปมีอยู่ในตัวอย่างเงี้ยแล้วทําบาปมันก็เป็นบาปอยู่นั่นแหละ ถึงจะปฏิเสธอย่างไรมันก็ไม่ฟังถ้าตนไปทําบาปอยู่แล้วแล้วทําบุญมันก็ไม่ได้บุญแบบนี้เพราะว่าความเห็นผิดอย่างนั้นแต่มันเป็นสายของบาปมันจะให้ได้บุญอย่างไรแล้วมันไม่ทําซ้ําเลยอืถ้าว่ายังทําก็ทําไปทำเพื่อนทั้งที่ตนไม่ไม่เชื่อว่าจะเป็นบุญให้ เช่นนี้แล้วมันจะได้บุญยังไงแล้วส่วนทําบาปนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อตามถ้าทําลงไปแล้วเป็นอันว่าเป็นบาปทั้งนั้นเลยมันเป็นงั้นแต่คนผู้เห็นผิดจยางดิ้งแล้วมันมันมืดมนหมดพอพิจารณาถึงเรื่องบุญเรื่องบาปถึงคุณเรื่องโทษแล้วมันไม่ไม่ไม่ไป จิตไม่เชื่อผู้เช่นนั้นเน่ะผู้มีความเห็นเช่นนั้น่ะชื่อว่าตัดถนทางแห่งความสุขความเจริญของตนลงไปมากมายทีเดียวอ <c oughs> ต่อจากนั้นไปแล้วก็ยากหละที่จะเกิดมาเป็นคนอีกความหลงมันจะซัดลงไปในรกอบายภูมิหมุนเวียนอยู่งั้นะ พ้นจากนารกแลก้วกลมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตแล้วก็มาเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็มากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเต็มทีแล้วเพราะมันไม่ได้สร้างคุณธรรมอะไรขอที่จะให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็การเกิดมาเป็นมนุษย์มันต้องมีคุณธรรม อันดีงามที่ท่านเรียกว่ามนุษยธรรมก็ได้แก่กรรมบทสิบนั่นเองกุศลรรมบทสิบนั่นแหละอันทำให้คนเกิดเป็นคนได้กายกรรมสามเว้นจากฆ่าฉัดสั์หนึ่งเว้นจากลักช่อหนึ่งเว้นจากประพฤต ผิดในกามหนึ่งเอาแถมเว้นจากดื่มธุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่ง <c oughs> วะจีรมสี่เว้นจากพูดเท็จพูดแตกคำจริงหนึ่งเว้นจากพูดสอเสียดให้คนอื่นแตกสามัคคีกันทะเลาะ ก, กันกลับมาพูด สมานไมตรีจิตต่อกันและกันพูดเกลี้ยกล่อมให้เขาปองรองสามัคคีกันนี่แล้วก็เว้นจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนโยนอ่อนหวานมีเหตุมีผลเพียงพอ <c oughs> เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเลวไหล หาประโยชน์อันใดไม่ได้นี่มันต้องมันต้องเว้นอย่างนี้ทั้งฝ่ายวาจีกรรมนะทั้งฝ่ายมาโนกรรมเลยก็ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนคือไม่คิดเห็นสมบัติผู้ อ, อื่นแล้วมันจะมากอย่างไรก็ตามก็ไม่คิดอยากแก่ได้มาเป็นของตน โดยทางทุจริตแล้วก็เว้นจากการพูดโ ก, โกรธเว้นจากการแสดงออกซึ่งความโกรธทางกายวาจาหรือว่าลงถึงกับลงไม้ลงมือประหัตประหารผู้อื่น เพราะมันเป็นกรรมเป็นเวรตามสานองไปหลายชาติหลายภพพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้บุคคลคลายความโกรธออกจากจิตใจเว้นจากมิตาทา่ิติคือความเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะ แล้วก็มาตั้งความเห็นขึ้นในใจว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนทําบุญก็ต้องได้บุญนั่นแหละทําบาปก็ได้บาปมันความเห็นให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วความเห็นผิดต่างๆมันก็ระงับไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยที่ว่ามันเนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วนี่มันก็เห็นกันอยู่ดาตืน่นนะนี่บุคคลมีบุญเป็นผู้ได้สั่งสมบุญมาแต่ก่อนเว้นจากบาปเส้นนี้เกิดมาชาตินี่มันก็สมบุญบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกของ เงินทองเข้าของต่างๆก็มากมายทัพภายในก็ได้แก่เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงค์เป็นผู้เชื่อว่าตนของตนมีกรรมเป็นของตนและเชื่อว่าสัตว์อื่นก็มีกรรมเป็นของตนเหมือนกันตนทําอย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น นี่เป็นผู้งดเป็นความเห็นที่ไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็พยายามปรับปรุงความเห็นในมันตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ความหลงอีกอย่างหนึ่งหลงสำคัญว่าร่างกายนี่สวยงามน่ารักน่าใคร เมื่อเห็นรูปสวยๆงามเลยมันเกิดคึกคักขึ้นในใจว่เอ๊รูปนี้สวยงามเหลือเกินอยากได้เหลือเกินหนึ่งอย่างนี้แหละไอ้ขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วมันมันเข้าใจผิดจากความเป็นจริงไปพรามเป็นจริงรูปนั้นไม่ได้สวยงามอะไรความจริงก็ไม่อย่างนั้นนะมันมันแต่ว่า จิตที่มันหลงมันเมาแล้วมันไม่ยอมรับความจริงอันนั้นไม่ยอมเอามาพิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาบ่อยๆนะ้วมันจะคลายความรักความใคร่ออกไปมันจะไม่มีรสมีชาติจิตใจอันนี้มันความรู้สึกของคนเป็นอย่างนั้นนะปราศ จ, จากความรักความใคร่ไม่ได้เลยบางคนนะ เพราะฉะนั้นมันถึงได้ประสบกับความทุกข์ขอให้เข้าใจกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ทางกายก็ห่างออกไปทางวาจาก็ห่างออกไปแล้ววะนี้มันก็ยังแต่ทางใจ นะเพราะฉะนั้นทางใจนี่มันจะเป็นต้องภาวนาไม่ภาวนาใจสงบลงไม่ได้เลยถูกกิเลสมันดันเอาผลักดันเอาสงบลงอยู่ไม่ได้อยูน่นิ่งไม่ได้ต้องคิดอยากได้อันนั้นอยากได้อ น, นี้ปรลัมประลาไปไม่มีสิ้นสุดเลยอย่างนี้แหละ คนเราถ้ า, าว่าไม่ฝึกฝนจิตใจแล้วมันชอบเกิดความเห็นผิดไปต่างๆนา น, น า, นาดังนั้นอย่าพากันนิ้งนอนใจทุกคนน่ะต้องไหวพระภาวนาภาวนาก็ต้องปรงจิตลงให้มันถูกทางถ้าปรงจิตไม่ถูกทางจิตสงบไม่ได้เลย โปรงลงไหนอ่ะโรงถูกทางอา่ะก็ไม่ได้โปรงไว้ที่ไหนเราความจริงเไยจิตคือความคิดความรู้สึกในอารมณ์ที่ตนคิดความรู้สึกอันนั้นแหละท่านสมมติว่าจิตจิตก็ออกมาจากนั้นความรู้สึกอันนั้นแหละสําคัญอ่ะ วันนี้พระศาสดาสอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่ก็เพื่อที่จะควบคุมจิตนี้ไว้ให้กำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในร่างกายอันนี้เพราะว่าจิตมันยังเห็นไม่ทั่วเมื่อจิตเห็นร่างกายนี้ไม่ทั่วแล้วก็มันก็หลงยึดหลงถือหลงรักหลงใครอยู่นั่นแหละ อันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสด า, าจึงได้ทรงแสดงสติปัฏฐานทำทั้งสี่ไว้สติปัฏฐานอันนี้ฐานที่ตั้งของสติสี่สถานนี่มันเป็นได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนา <c oughs> ถ้าผูใ้ใดทําใจสงบลงไปได้มันก็เป็นสมถะนี่การที่มาตั้งสติเพ่งพิจารณา ร่างกายอันนี้จนให้มันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนแม้เวทนาก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันธรรมารมณ์ก็เหมือนกันเราเพ่งดูอันใดอันหนึ่งแล้วอั น, นอันนอกนั้นมันก็รู้ตามเหมือนกันเนี่ยแต่เบื้องต้นนี่เราต้องเรียนรู้สะกก่อนเอาเพ่งกายให้เห็นเป็นแต่เพียง สั ก, กวาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรและวเมนี้ก็เพ่งเวทนาเป็นอารมณ์เวทนานี่ก็สำคัญมากอย่าไปละเลยผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยมาเมื่อก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ในระหว่างกายกับจิตนี่ร่างกายอันนี้เมื่อจิตยังอาศัยอยู่อันนี้เวลาเจ็บหนักมามันก็ดิ้นทุรนทุรายนั่นแหละเหมือนกับมีตัวมีตนนี่อันนี้เมื่อจิตที่ออกจากร่างนี้แล้วมันไม่มีเลยมันจะไปดิ้นทุรนทุราย กระเสกกาสนไปต่างๆน่ะ น, นะร้องห่มร้องให้อะไรหมดเนี่ยไม่มีเลยเป็นงนั้นดังนั้นให้สันนิษฐานดูเวลาคนชวนจะตายมันดิ้นรนกระวนกระวายเมื่อตายลงไปแล้วเหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดไปบนดินตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่มีผิดแล้ว ถ้าขืนทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยท่อนกล้วยนั่นมันก็ค่อยเน่าไปทีละน้อยละน้อยไปเน่าไปเปื่อยไปในที่สุดมันก็มาลายหายสูญลงดินเนี่ยนั่นแหละรูปกายอันนี้มันไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราก็ถ้าเป็นของเราเราใคร่จะไปสร้าง ทุกขเวทนาขึ้นมาในใจเหรลองคิดดนนูเพราะความทุกข์นี่เป็นความเผ็ดแสบร้อนไม่น่าปรารถนาเลยแต่แล้วมันก็ต้องได้เพราะว่าจิตใจนี่มันไม่ชอบทุกข์ก็จริงแต่มันก็มาชอบกับขันห้าอันนี้ มาชอบกับรูปกับนามธ ร, รมำนี่เดองมันนะเมื่อมาชอบกับของไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้จะไม่ให้มันเป็นทุกข์จะได้ยังไงอ่ะแม้แต่ดวงจิตเองเพระองค์ก็ยังสอนให้ตั้งสติกําหนดดูเพ่งดูเมื่อเพ่งดูแล้วก็จะเห็นแต่ความว่างๆให้เฉยๆเนี่ยตัวจิตจริงจังนะไม่มี แต่เป็นแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นแต่เมื่อมันได้อาศัยร่างกายอันนี้แล้วมันนักมีอำนาจทำให้ร่างกายหนักตั้งห้าสิบกิโลหกสิบกิโลขึ้นไปมันก็ยังเคลื่อนไหวไปมาได้เนี่ยอนุภาพของดวงกิจนี่พิจารณาดู เมื่อท่านผู้บำเพ็ญสมาธิใบนบรรลุฌานสมาบัติและอย่างนี้ท่านอธิษฐานใจนิธรรมกายให้อธิษฐานในใจให้กายนี้เบาเหมือนนุ่นสำลีนี่เกาะมันก็เบาได้ดังนั้นท่านจึงหเหาะเหินเดินอากาศได้อนุภาพของกิจถ้าฝึกให้ดีแล้วนะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจนบรรลุฌานสมาบัติยันนี้มันก็อำนาจกันน้อยลง mm hmm. เออินเดินอากาศก็ไม่ได้ผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติมันเป็นยางน้นเพราะนั้นเราต้องสันนิฐานดูให้ละเอียดถี่ถ้วน mm hmm. จิตนี่ มันไม่มีรูปร่างจริงๆเนี่ยเป็นแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอนุภาพมากทำให้ร่างกายทั้งห้าสิบหกสิบกิโลอันนี้เคลื่อนไหวไปมาได้นั่นพิจารณาดูให้ดีทีนี้จิตเนี่ยถึงแม้จะมีอนุภาพมากอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าไม่ฝึกผลอบรมแล้วมันมักจะมีอนุภาพไปในทางชั่วบ้างนี้มันมักจะใช้กายวาจาไปทำความชั่วสร้างกรรมชั่วให้เกิดขึ้นในใจของตนวันนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ฉุดคล้าพาไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนา น, าน เพราะว่าอายุของสัตว์นรกนั้นมีมากกว่าอายุของมนุษย์นั้นตั้งหลายร้อยเท่า <c oughs> ดังนั้นน่ะพิจารณาให้ดีอันนี้แสดงตามตำรานะเท่าที่ได้ดูตำรามาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ผู้แสดงนี้เชื่อมั่นว่าเป็นได้จริงๆ เพราะว่าอันุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วดีนะมันแสดงออกให้เห็นแล้วนี่อย่างบุคคลทำกรรมชั่วลงไปอย่างนียกรรมชั่วบางอย่างก็ให้ผลในปัจจุบันนะถ้าไม่ไปติดคุกติดตารางตั้งนมนานนะนั่นนะ่ะอ น, นันท่านเรียกว่านรกเมืองมนุษย์เราเห็นกันได้ เมื่อนรกเมืองมนุษย์มีชะไหนแล้วนรกเมืองผีมันจะไม่มีเพราะว่ากรรมมันเดียวกันเนี่อันนี้บุคคลผู้ที่ฝึ ก, กจิตที่ให้น้องไปในทางดีอย่างนี้แหละมันก็ทําดีพูดดีตลอดไปเลยคนผู้นั้นเมื่อใจดีแล้วไม่วอกแวกไม่กลับปลอก แต่จิตที่บุคคลไม่ได้ละกิเลสให้เบาบางลงไปเลยเนี่ยอันนี้รับรองไม่ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหะผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมันนำหน่วยให้คนเรามันจึงได้พบทั้งความสุขทั้งความทุกข์ปนเปนกันไปอยู่เนี่ยหาความสบายส ม, สม่ำเสมอไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราภาวนาพิจารณาดูธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตนะที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นกลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีอยู่ในใจนี่ยพิจารณาดูให้มันรู้ว่าถ้ารู้ว่า ควคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอากุศลอย่างนี้ก็ไม่คิดมันต่อไปกำหนดละมันไปเรื่อยๆก็เมื่อจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานของบุญและบาปแล้วมันนี้เมื่อเมื่อจิตนี้ไม่ชอบบาปบาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่กำหนดละมันมันก็ดับไปดับไปอย่างนั้นจิตในชอบบุญกุศล มันก็ใช้กายวาจาทมในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วความดีเหล่านั้นมันก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ดวงจิตนี้หมดไม่สูญไม่หายไปไหนถ้าบุคคลมีภาวนามัม่รักษาจิตใจดวงนี้ให้มั่นอยู่ให้เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณจริงๆอย่างว่านี่มัน บุญคุณมันก็เกิดขึ้นในใจนี่เลื้อยไปเท่านั้นเองนะถ้ามันยึดเอาบาปไว้อย่างนี้บาปนั้นมันก็คอยมารังควานบุญกุศลที่บุคคลพูานั้นสร้างมาเนี่ยจะทำให้บุญนั้นงอนแงนอนแคลนจากดวงขิตนี้ไปอย่งงางนั้นเรื่องมนันนะเพราะฉะนั้น ต้องพิจารณาให้มันรู้ธรรมารมที่เกิดในใจนี่นะนี่แหละมันเป็นบ่อบุญบ่อบาปนะถ้าผู้ที่ช่างสังเกตอยู่เสมอเ ส, สมอไปแล้วมันก็รู้ได้จริงๆรนะในขณะนี้จิตตนมันคิดไปในทางอากุศลมันก็รู้นี่ในขณะนี้จิตมันคิดไปทางบุญกุศลมันก็รู้ เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราเอาเทียบกันอย่างที่ว่านั่นเยอารมณ์ที่เป็นอกุศลนั่นน่ะก็ได้แก่ความคิดโลกคิดโกรธคิดพยาบาทจองเวณผู้อื่นและจัดอื่นคิดหลงคิดแบบคนไม่มีสติเมาไปตามกระแสของโลกโลกเขาว่าดีก็ดีไปตามโลกเขาว่าชั่วก็ชั่วไปตาม อย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นผู้เห็นผิดเป็นชอบจากคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าพระองค์ทรงพระตํามนี่อย่างนี้มันก็ไม่น่าโกรธไม่น่าเสียใจอะไรสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนมาชีพอยู่พระองค์ผู้ความจริง ผู้ใดเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วผู้นั้นมันก็ยอมรับรู้เรื่องอารมณ์ที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนี่แล้วก็รู้ว่าบาปเป็นสิ่งควรละเพราะมันอำนวยผลให้แก่ผู้กระทานั้นเป็นทุกข์เมื่อมันเห็นชัดลงไปอย่างนี้มันก็ละบาปนั่นเลยไปพยายามสํารวมจิตไ่คิดทางบาปอากุศลขึ้นมา เช่นคิดอยากฆ่าคนนั้นอยากตีคนนี้คิดอยากได้อาหารอันเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นั้นมาปรุงอาหารรับประทานอะไรแบบนี้นะอันนีน้ความคิดอย่างนี้มันเป็นอกุศลเรื่องมันนะแล้วคิดเห็นว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีอย่างที่พูดมาแล้วนั่นนะอันนี้เป็นความความหลงอย่างดิ่งเลย ดังนั้นทุกคนอยาไปเห็นอย่างนั้นมันเห็นผิดไปจากความจริงความจริงแล้วบาปมันมีจริงดังที่มันแสดงออกให้คนเราเห็นนั่นแหะจิตใจของผู้ใดมันเกือนกล้อยอยู่ด้วยโทสะพยาบาทอย่างนี้แสดงออกมาทางกายวาจาส่วนมากมักกจะไปในทางโกรธ น, นุ่ตัวยงไเพราะฉะนั้นแหละเมื่อผู้ใดภาวนาไปเห็นความคิดที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ให้กำหนดละมันไปแล้วกำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้เริ่มตั้งแต่ความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมราสง่อแล้วก็ เริ่มเริ่มใสว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นในใจว่าความดีที่ตนทํามาแล้วไม่สูญหายไปไหนอยู่ที่จิตนิบทแล้วออย่างนี้นะเพ่งบุญเพ่งคุณอันนี่ให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วก็รักษาบุญคุณนิไว้เสมอให้ใจตั้งมั่นลงไปอย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นเลยไป มองเห็นธาตุสี่ขันธ์หเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาตามความเป็นจริงมองเห็นรูป ก, กายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีแตกคลายอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นไปโดยลำดับเมื่อคลายความยึดมั่นไปได้เท่าไรความทุกข์ทางใจมันก็เบาไปเรื่อย